พบในความหมายของสัจจคความจริงตรงนี้่ะแปลว่าให้มนุษย์เข้าไปรู้ความจริงตรงนี้ไม่ใช่ให้ใจเราไปทุกข์ <c oughs> ใช่ไหมให้รู้ความจริงตรงนี้แล้วเราจะได้แก้ไขจัดแจงมันยังไงแล้วก็จะได้จัดการยังไงกำลังรอบรู้ยังไงให้รู้ชัดทุกขั้นตอนอยังไง ร, รู้รอบทุกขั้นตอนอยังไง ร, รู้ลึกรู้กว้างทุกขั้นตอนอยังไงเนีย่ยลักษณะอย่างนี้ แต่พอเข้าไปรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยความเข้าใจเข้าไปรู้ปุ๊บเนี่ยใจกับไม่เป็นทุกข์ใจกับมีความสุขทุกขั้นตอนที่รู้ความจริงตรงนี้เราจะได้จัดการมันได้ด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจไม่ได้จัดการแบบมึนๆงงๆจัดการแล้วก็แก้ไขมันได้ตอนในสถานการณ์นั้นๆต่อเหตุการณ์นั้นๆแล้วก็ในบริบทนั้นๆรู้องค์ประกอบของรูปธรรมรู้องค์ประกอบของานานมธรรม ส่วนของรูปธรรมควรจัดการแก้ไขอย่างไรนามาทำควรแก้ไขอย่างไรเนี่ยก็เข้าไปรู้รู้รายละเอียดของมันไม่ใช่แค่รู้ตัวทุกหรือตัวปัญหาเท่านั้นยังไปรู้เหตุกระบวนการที่ว่าทําให้มีการยืนเดินนั่งนอนทําให้กระบวนการของกระแสชีวิตทั้งหลายเหล่านี้ยที่มันถัดเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยทั้งหลายเราเลยก็สามารถเข้าไปรู้ทุกขั้นตอนด้วยถ้าไปรู้ในลักษณะอย่างเนี้ย เขาเรียกว่ารู้เนี่ยการเกิดเนี่ยการเกิดเนี่ยมันเป็นทุกข์ในตัวมันเองเป็นปนัญหาในตัวมันเองแลแต่ถ้าเราเกิดไม่ดีเช่นไปนมีความรู้สึกไม่ดีต่อกระแสชีวิตไปกำหนักยินดีเพลิดเพลิพนใไปขัดเครืองเครียดวิตตอกโกวนไปมัวเมารุ่มหลงไปพุ่งสร้างกับมันไปลังเลสงสัยคิดอะไรก็ไม่ออกมึนงงกับสิ่งเหล่านี้ย ลักษณะอย่างนี้เรียกเกิดไม่ดีมันเป็นทุกข์อะไรเกิดไม่ดีเป็นทุกข์เช่นความกำหนัดเกิดความโกรธเกิดความเกลียดเกิดความขดขู่ทอะถอยเกิดความลังเลสงสัยเกิดความฟุ้งซ่านลำคาญใจเกิดถ้าเกิดอย่างนี้เรียกว่าเกิดไม่ดีมันเป็นทุกข์แต่ถ้าเกิดดีมันเป็นสุขเช่นวันเกิดปุ๊บเอาและหนูสมาทานว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จะทําความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในสิ่งในความดีเชื่อมั่นในศักยภาพของความเป็นมนุษย์เชื่อมั่นในในพระพุทธเจ้าที่ท่านเป็นบุคคลท่านแรกที่พัฒนาตนเองจนสามารถตัสรู้ได้ด้วยตนเองเชื่อมั่นปัญญาของท่าน 2. เชื่อมั่นหลักการที่ท่านบอกมาสามเชื่อมั่น หมู่อริยสงฆ์ที่เป็นหมู่ที่พ่อพี่พุทธเจ้าทรงจัดตั้งแล้วทําให้หมู่ชนเหล่านั้ น, เ, นเข้าถึงการพัฒนาตนเองได้เต็มที่อย่าโอ้เชื่อมั่นพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นพระธรรมเชื่อมั่นพระสงพอเชื่อมั่นงั้นก็เอาความเชื่อมั่นย้อนมาที่เราแล้วเขาบอกอันและวต่อไปเราจะเชื่อมั่นว่ามนุษย์เนี่ยจะฝึกตนเองได้จะพัฒนาตนเองได้จะเข้าถึงความ บริสุทธิ์สมบูรณ์แบบได้ด้วยความเพียรเรียเร่ยวเดี่ยวแรงด้วยสติปัญญาของมันพอเกิดความเชื่อมั่นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยอย่างนี้ก็เลยเกิดดีแล้วประาการต่อไม้คือเกิดความกล้ากล้าอาถารกล้าไปใจสู้ไม่ไม่หวั่นเกรงกับปัญหาและอุปสรรคมันจะมีว่าสมาทานว่านับตั้งแต่วันนี้อันนี้ก็จะทําความเกิดที่ดีให้เกิดขึ้น หนึ่งเชื่อมัน่นแทนที่จะไม่เชื่อมัน่นถ้าไม่เชื่อมั่นก็แล้วเกิดไม่ดีเดี๋ยวจะเชื่อมั่นเป็นงานเกิดที่ดีถ้าเพียนเกลี้ยกล้าอาถารพ์เดีวว่าเกิดดีถ้าเอาทูท้อถอยอันนี้เกิดไม่ดีอะไรเราจะทําความเกิดที่ดีให้เกิดขึ้นนับแต่วันนี้คือเพียนเพียนอะไรเพียนก็ตรงไปชื่อเราตรงไปชื่อเขาแบบเพชรในที่ว่าอภิอะไรอภิษฐ์ธรรมะอพิษฐ์ มันก็ต้องมาวิริยะต้องมาเพียรมันมาจากวิระแต่ว่าแก้วกล้าอาถารกล้าที่จะละบาปเก่าทุกริกเก่าอามสุลกรรมเก่าความความไม่ดีเก่าๆที่เคยทำทำั้งไม่ว่าจะเป็นความเครียดความโกรธความน้อยเนื้อต่ำใจ ออความหมงุดหงิดพงซ่านความรำคาญใจที่เคยเกิดกับเรามาทั้งหมดชํางนานมากความรู้สึกแบบนี้กับเรามันมันมันทํางานมากมันไหลมาเกิดกันมากมา ก, ก็ตั้งใจเอาละไอความรู้สึกโกรธความรู้สึกน้อยเนื้อตามใจความรู้สึกไม่พอใจความหมดถู่รอดหอยที่มันเคยเกิดกับเรามาในอาถราพเนี้ยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เราจะไม่ให้ไอสิ่งที่เกิดไม่ดีความรู้สึกที่ไม่ดีทั้งหลายอะไรนี้ยเข้ามาเกิดในกระแสชีวิตของเราอีกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมีเพีางออแล้วเราตั้งใจพุ๊บยังไงเลยทีนี้บาปเก่าทุจริตเก่าอุปสมณกรรมเก่าเา ก, ก, รรก่าทั้งหลาย เ, ยเร า, าบอกว่าปิดสวิตตีว่าจะไม่ให้เข้ามาเลยประการต่อมาคือบาปใหม่ทุจริตใหมอ่อุปสมกรรมใหม่สิล สิ่งใหม่ๆบาปใหม่ๆที่เราได้ยินเราได้เห็นคนอื่นเขาทำอะไรเขาเป็นอะไรก็ ไ, ได้สิ่งเหล่านี้เราก็จะปิดกัน้นเราก็จะเพี้ยนปิดกัน้นไม่ให้เข้ามาสู่กระแสชีวิตของเราไม่ให้เกิดไอสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้เราจะไม่ให้เกิดในในกระแสชีวิตเขาเข้าไปเจ้าอีกน้ำตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะหมดลมหายใจอันนี้ได้สองส่วนหนึ่งบาปเก่าสองบาปใหม่ประการต่อยวมาคือว่า ที่เราจะให้เกิด<ม>ก็คือว่าเกิดดีแล้วทีเนี้ยตอนตะวันเกิดนี่ก็คือเกิดดีเราจะให้อะไรเกิด<ม>เราจะให้ความเชื่อมั่นที่เป็นกุศลความดีทั้งหลายเกิดเราจะให้สติคือการระลึกได้ตามระลึกได้การตรึงการดึงการตรึงการจับการระลึกสิ่งที่ดีๆทั้งหลายที่มันจะเกื้อกูลต่อชีวิตจิตใจทั้งหลายเราจะให้เกิด เราจะให้สมาธิคือความตั้งพันเกิดเราจะให้ปัญญาคือความรู้ความเข้าใจจะสั่งสมปัญญาเหล่านี้ให้เกิดขึ้นนั้นเราจะให้ทานกุศลนี่เกิดจิตที่น้อมไปอยการศีลกุศลคือการทั้งพฤติกรรมทั้งหลายเหล่านี้ให้เป็นไปกับความเรียบร้อยดีภาวนากุศลจะพัฒนากุศลทุกชนิดที่เกิดขึ้นนี่ก็เรียกว่าจะให้สิ่งดีๆที่เกิดไม่แค่นั้น จะพัฒนาสิ่งที่ดีงามและละเอียดอ่อนและประณีตขึ้นไปจะให้ความสุขเกิดขึ้นความสุขที่ยังไม่เคยเกิดที่เป็นกุศลความดีทั้งหลายจะให้เกิดที่เกิดขึ้นแล้วจะให้เจริญไทโวลยิ่งยิ่งขึ้นไปโอ้โหดเดีนี้เราจะให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นเยอะเนี่ยเนี่นเยเขาเรีกว่าปลาลบอะไรปลาลบวันเกิดปลาลบสิ่งที่เกิ ด, เ ก, ดเกิดไม่ดีเป็นทุกเกิดดีเป็นสุข สิ่งที่เกิดไม่ดีกันเราเช่นกายโทษจริตทางกายเนถ้ า, า, าให้เกิดขึ้นจะเป็นทุกข์ทษจริตทางวาจานเกิดเป็นทุกข์หรือทษจริตทางทาใจความโลภความโลภความกําหนัดกินดีความโกรธความเครียดความมัวมองรุ่มหลงถ้าเกิดอย่างนี้เป็นทุกข์แล้วก็อาและปาร้องบรรเกิดเราจะให้สิ่งดีก็คือให้เกิดดีเกิดดีคือให้กุศลความดีมันเกิด ให้สุจริตเกิดให้กายสุจริตเกิดให้วาจาสุจริตเกิดให้ใจสุจริตเกิดให้ทานกุศลเกิดขึ้นเอาแล้วให้ศีลกุศลเกิดขึ้นให้ปัญญากุศลนี้เกิดขึ้นให้ความเพียรความกล้าเกิดขึ้นให้ขันติคือความอดทนทั้งหลายนี้เกิดขึ้นให้สัจจะคือความตั้งมั่นอย่างจิเกิดขึ้นให้อธิษฐานคือความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเกิดขึ้น ให้เมตตาเกิดขึ้นให้กรุณาเกิดขึ้นให้มุทิตาพอยินดีเกิดขึ้นแล้วก็ให้การวางใจเป็นกลางไม่หวั่นไหวในโลกกระทำตางหลายเกิดขึ้นถามว่าถ้าเกิดอย่างนี้ดีดีเลยใช่ไหมเนี่ยลักษณะเนี้ยก็เรียกเกิดดีแล้วมันมีสุดแล้วก็พัฒนาความสุขเราจะไม่ติดอยู่แค่กลางมาสุขเราจะพัฒนาให้สู่ความสุขที่มันประณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงสมาธิสุข ปัญญาสุขโอ้โหไล่ไปตามลแบบําดับจนถึงนั่นแหละนิพพานและสุขสุขจากการทําให้ความไม่ดีทั้งหลายนิพพานให้หมดเลยให้หมดเลยหรือแต่ความดีดทั้งหลายเกิดขึ้นถ้าอย่างเนี้ยถ้าทํานี้ก็เรียกว่าเกิดดีแล้ว น, นี่นี่วันเกิดอ่ <c oughs> เออวันเกิดเท่าได้อยังงี้เป็นจริงจะบอกเห็นไหมว่าสิ่งที่เราขาดกันหนาจริงๆคือสิ่งดีๆให้กับชีวิตของเรา แต่เราไม่รู้วิธีการจะทำให้เกิดแต่นี่เรารู้รา้ก็สร้างเหตุของความสุขให้ความสุขเกิดขึ้นไอ้ที่ได้ข้างนอกก็เป็นผลพลอได้ใครจะเอาเครื่าให้แหวนให้นาฬิกาให้เินครแต่ข้างในข้างในเนี่ยข้างในก็คือการที่ความรู้สึกดีความเกิดความเชื่อมั่นเกิดความแก้วกลาเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญา เกิดเมตตาเกิดกรุณาเกิดมุทิตาเกิดโเุเบคาเกิดชั้นท่าความรักใฝ่ในการทําสิ่งที่ดีทั้งหลายเกิดบุริยะความเพียรเ ก, าเกา้ากล้าเกิดจิตตะมีจิตจัดจอบ้องบ้านในการทาสิ่งดีเกิดวิมังสาเกิดปัญญาคือความรู้ <S 2> <S 2> ความเข้าใจพอเกิดอย่างนี้สําคัญที่สุดอยให้เกิดดีที่สุดไห้ตรงนี้ในความสุขมันก็เกิดและตังตรงนี้ต่างหากที่ควรให้เกิด เพราะขับเคลื่อนความดีจากสตาร์ทจุดแรกได้แต่นี้ก็หมุนความดีให้มีพลังมากก็บทกระยี่ความไม่ดีความไม่ดีก็ไม่มีโอกาสขับเข้ามาเกิดในกระแสชีวิงหนูหนูก็พัฒนาเลยข้างนอกก็สดใสข้างในก็มีสุขเยอะเวลาทำงานสัเกตหนูทางานออที่ผ่านมาเนี่ยเยอนมากทำงานปุ๊บบางทีงานได้ผลบ้างไม่ได้ผลมา ได้คนทํางานเป็นทุกข์อันนี้แปลว่าเกิดไม่ดีก็ใจมันเป็นทุกข์แต่เราใก็บอกเอาแล้วงานต้องได้ผลคนต้องเป็นสุขเยอะไหมเอ้ยงานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขอคนทํางานคนที่ไปเกี่ยวข้องกับงานทั้งหลายก็เข้าถึงความสุขแล้วก็พัฒนาความสุขให้ยินยิงนงขึน้นไปในงานที่งยิ่งการนี่เึ้นไปความสุขเราก็ได้รับประนีตขึ้นไปก็เลยได้ความสุขทุกขัน้นตอนพอเย็นไหม ได้วันเกิดนายจะหาได้